ฉันทะต่อของขยายสู่เมตตาต่อคนความตอนนี้มีแง่ที่โยงไปถึงข้อธรรมสำคัญได้อีกข้อหนึ่งคือเมตตาตลอดไปถึงพรมวิหารธรรมข้ออื่นๆด้วยเห็นว่าควรจะนำมาพิจารณาประกอบกันไว้ณที่นี้ เพราะจะช่วยให้พลอยเข้าใจความหมายของตัณหาและฉันทะชัดเจนขึ้นด้วยเมตตาเป็นข้อธรรมที่รู้จักกันทั่วไปแต่มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจอยู่บ้างคำแปลสามัญของเมตตาคือความรักความมีหมตรีความปรารถนาดีความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์คำแปลนี้ดูก็น่าจะเข้าใจได้ง่าย แต่ปัญหาเกิดขึ้นในแง่ที่ว่ามักจะมีความเข้าใจสับสนปะปนกันระหว่างความรักที่เป็นเมตตากับความรักที่เป็นอกุศลความรักที่เป็นอกุศลนั้นมักเรียกว่าสิเนหะหรือเสนหาซึ่งหมายถึงความรักใคร้เยื่อใยเฉพาะบุคคลความพอใจโปรดปรานผูกพันส่วนตัวหรือความรักที่เจือด้วยความเห็นแก่ตัว ทำให้จิตใจคับแคบติดข้องมัวหมองลงหรือตื่นเต้นเร่าร้อนสภาวะนี้ตรงข้ามกับเมตตาซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์มีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสังสารวัตเป็นความรักอย่างเป็นกลางกลางอย่างเผื่อแผ่ทำให้ใจเปิดกว้างออกไปเย็นสบาย ของใสเบิกบานพระอัตกฐกถาจาร์เกรงความสับสนปนเปจึงพยายามกล่าวย้ำถึงลักษณะที่พึงสังเกตต่างๆสำหรับป้องกันความเข้าใจเคลื่อนคลาดเช่นว่าสมบัติหรือผลสำเร็จของเมตตาคือระงับพยาบาทได้วิบัติหรือความล้มเหลวของเมตตาคือเกิดเสน่หาและว่าความพยาบาท เป็นศัตรูห่างไกลของเมตตาส่วนศัตรูใกล้ตัวของเมตตาที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือราคะเพราะเข้ามาง่ายเผลอเมื่อใดถึงตัวทันทีสินเนหะคือสเสนหะเป็นวยพจนธคำหนึ่งของตันหาเมื่อพูดให้ตรงจุดความรักฝ่ายอากุศลที่ตรงข้ามกับเมตตาก็คือความรักที่เกิดจากตัหา หรือความรักเจือตัญหานั่นเองลักษณะของตัญหาที่สังเกตได้ง่ายซึ่งได้กล่าวแล้วบ่อยๆคือมุ่งจะเสพเวทนาและเกี่ยวกับการปกป้องรักษาตัวตนดังนั้นหลักที่จะใช้ตัดสินว่าความรักใดเป็นตัญหาหรือเกิดจากตัญหาหรือไม่ก็ดูว่าเป็นความรักที่ปรารถนาความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา หรือเป็นความรักที่ต้องการความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นเพียงเพื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับตนจะได้ใช้เสบเวทนาหรือเป็นเงื่อนไขสำหรับรองรับเสริมหรือค้ำประกันความมั่นคงถาวรของตนบางคนกล่าวว่าเขารักพันรยารักสามีรักเพื่อนหรือรักคนผู้ใดผู้หนึ่งอย่างมากมายจริงจังชีวิตของพันรยาเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งมีค่าสูงสุด ซึ่งเขาจะต้องทะนุถนอมเอาใจใส่ดังเอาชีวิตของเขาเองเป็นเดิมพันครั้นอยู่ต่อมาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือมีเหตุการณ์ผันผวนบางอย่างทําให้ภรรยาของเขามีร่างกายเป็นต้นอันไม่เอื้ออํานวยแก่การที่เขาจะเสพสุขเวทนาเท่าที่ปรารถนาหรือสามีหรือเพื่อนของเขาเป็นต้นไม่อยู่ในฐานนะ หรือภาวะที่จะเสริมหรือเอือ้อแก่ความมั่นคงแห่งตนของเขาได้อีกต่อไปความรักที่เคยมีกลับจางคลายหรือถึงกับสลายลงชีวิตของพันรยาหรือสามีหรือเพื่อนเป็นต้นนั้นก็ไม่มีคุณค่าที่เขาจะทะนุถนอมใส่ใจที่จะให้เป็นอยู่ดีอีกต่อไปความรักอย่างนี้หาใช่เมตตาไม่ เป็นแต่เพียงความรักเจือตัญหาหรือตัวตันาหานั่นเองที่ฉวยโอกาสใช้ความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นเป็นเงื่อนไขสำหรับการที่ตนจะได้เสพเวทนาอันอร่อยหรือคำจุนหนุนเสริมความมั่นคงถาวรแห่งอัตตาของตนเมื่อเดินทางไปในท้องทุ่งถิ trousers, no. icki, ่นชนบทมองเห็นต้นไม้ใหญ่มีลำต้นแข็งแรงบริบูรณ์ด้วยกิ่งก้านแผ่ขยายเป็นปริมนฑล มีใบเขียวสดงามสับร่างสมบูรณ์ด้วยร่มเงาคนที่กำลังมีจิตใจเปิดกว้างเบิกบานกับความงามของธรรมชาติย่อมมีจิตยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณ์ของต้นไม้นั้นสุขสบายใจที่เห็นต้นไม้นั้นอยู่ในสภาพที่ดีและอยากให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากภัยเบียดเบียนจิตของเขาในเวลานั้นเป็นจิตที่โน้มน้อมเข้าไปหา หรือแผ่ออกไปสู่ภาวะที่ดีงามของต้นไม้คิดในทางเกื้อกูลแก่ต้นไม้ไม่มีความนึกคิดเกี่ยวกับตัวตนไม่มีความคิดที่จะเอามาหรือเอาตัวตนเข้าไปเสพเสวยสุขเวทนาเป็นภาวะจิตที่ยินดีในความดำรงอยู่ด้วยดีของต้นไม้นั้นตามสภาพของมันภาวะจิตนี้เป็นกุศลดีงามไร้โรคโปรง่งสบาย อ, อกูลทั้งแก่โจผู้คิดเองและแก่ผู้อื่นความชื่นชมยินดีพอใจต่อความดีงามสมบูรณ์ของต้นไม้นั้นหรือความอยากให้ต้นไม้นั้นดีงามสมบูรณ์อันนี้คือฉันทะจะพูดว่าความปรารถนาดีต่อต้นไม้นั้นก็ได้ในทํานองเดียวกันนี้เมื่อมองเห็นบุคคลอื่นมีสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เป็นปกติสุขแล้วถ้าเรามีจิตใจสบาย ยินดีในความมีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีของเขาอยากให้เขาเป็นอยู่ดีแข็งแรงปราศจากโรคมีความสุขจิตใจที่แผ่กว้างออกไปในผู้อื่นโดยไม่วนเวียนพัวพันอยู่กับตัวตนอย่างนี้ความปรารถนาดีอยากให้คนสัตว์อยู่ในภาวะดีงามสุขสมบูรณ์ของเขานี่คือฉันทะที่แสดงออกต่อคนสัตว์มีชื่อเรียกพิเศษว่าเมตตา